จะเห็นสวรรค์นิพพานจกไปสวรรค์นิพพานได้หาคว่ำมีออกจากใหญ่ใจวะใจของข้อมีอย่างขอถามกขอไปจุดนี้ล่ะพระพุทธเจ้าไปว่าทั่ไหนพุทธะไปว่าผู้รู้ทำให้ใจของข้าเป็นพระพุทธเจ้าขุนมากปฏว่าหลวงทอประมาทว่าประเทศจะเป็นพระพุทธเจ้าปฏิว่าิได้บ้างโอ้พุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโลกวิถีรู้แก้งโลกเขาแปร เข้ามาพกปูเจ้าเข้ามาเบิ่งโลกเป็นตนนนนะืนเป็นเบิกบานนะบ้านโลกก็เป็นสัตส่นั่นพะระสงฆ์อเห็นจุดนี้แล้วก็เป็นติจูปเห็นอย่งถึงว่ออกไปมวนข ย, ยม่มถึงว่ดีกวดจี <c oughs> เปนเห็นจุดนี้วา่ามันบุนไหวโลกนี่บุญไวเนอะนั่นเน้ย <c oughs> ขอมาอยู่ที่นีเขาไปนี่ปุ๊บหายบุนไหวมียังหัวใจขาเบิง่งลเป็นนางมึงโลกมองลมบ่มีอย่างเดีเห็นแต่ลมอย่างเดียวบัดนิไปอี๋ดีจริงจรลมว่าเอาเด้ ทรงไปซื้อๆได้คือบังไฟไหมัหนึ่งเทียบกับมือเนี่ยแล้วเป็นล่มทรงบังไฟคือขึ้นพุ่นทรงใจของเขาขึ้นพุ่นล่มทรงใจอ่ะบวมีแล้วยุ่งง่าใจกับไปได้มันมีก็ไปก็ได้เพราะฉะนั้นมีคำเดียวแค่ น, นั้นคำานี่ให้ปฏิบัติของผู้เจ้าคือหาความไม่ออกจากใจ